พกเพื่อนทุกองค์ที่อยู่ในวัดก็ให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาศีลภาวนาของใครของเรานะอย่าให้ชะทกชะทานวันไหวเราเกิดมาเราเกิดมาเพราะใครเราเกิดมาคนเดียวเวลาเราจะตายเราตายเพราะใครเราตายไปคนเดียวการสังสมคุณงามความดีเป็นหน้าที่ของใครกเป็นหน้าที่ของเราคนเดียวจะต้องทํา วั น, นวอื่นจะเป็นยังไงครูบาอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ก็แนะนําสั่งสอนให้แล้วผมก็บอกแล้วทําแล้วบอกแล้วแนะนําสั่งสอนหมู่พกเพื่อนทําตัวยังไงปฏิบัติยังไง ข, ขอให้หมู่พวกเพื่อนทุกองตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจรักษาศีนตั้งอกตั้งใจทํากิจวัตรคอวัดอย่าให้มีปัญหาอย่าสร้างปัญหา การที่อยู่ด้วยกันอย่างที่ผมพูดนะผมพูดยกหลวงตาเป็นตัวอย่างหลวงตาไปเที่ยวทุรงที่อำเภอศรีสงครามสมัยเป็นท่านก็คงจะออกมาออกมาจากหลวงปู่มั่นแล้วที่ท่านจะเข้ามาอยู่ที่บ้านน้องผือน า, นาไนที่ท่านจะออกไปอยู่ห้วยทรายไปด้วยการสามองค์ไปบินท่าบาท ท่านพูดให้ผมฟังเมื่อกี้เนี่ยท่านบอกท่านสลดสังเวชใจท่านจําไม่ลืมผมไม่เคยพูดให้ใครฟังฮท่นานว่าเนี่ยนะแต่ท่านก็อาจจะพูดแต่ว่าผมก็ไม่เคยได้ยินอีกเหมือนกันผมอยู่กับท่านเป็นเวลาสิบสองปีสิบสามปีที่บ้านตากผมก็ไม่เคยได้ยินคนํานี้ท่านก็บอกว่าเราสะดุดใจเราสังเวชใจเราสะดุดใจเราไม่ใช่คนคีท้ทีคี้ตะนีทีเหนียว เราเป็นคนสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่หมูพวกเพื่อนวันนั้นเราไปออกเที่ยวทุง่งงไปด้วยกันสามองแต่องค์ที่ว่าเนี่ยอายุพรรษาเนี่ยอ่อนกว่าเราอายุพรรษาอ่อนกว่าเราหนึ่งปียังเป็นสมัยเป็นอายุสามสิบกว่าปีด้วยกันแล้วก็มีพระน้อยองค์หนึ่ง ก่นนั้นไปบินเาบาด ท, ท่านก็ได้เป็นระหาท่านก็ไปยุงเทพหลวงตาเนี่ยท่านได้เป็นมหามาแล้วแต่ก็จู ก, กับองค์หลวงปู่มั่นพรรษาที่สิบหกที่ท่านที่องค์หลวงตาที่ว่าท่านได้หมดความสงสัยในพระพุทธศาสนาก็คงจะช่วงนั้นล่ะเพราะงั้นสิบหกสิบเจ็ดพรรษาอายุสามสิบกว่าปีก็ยังเป็นหนุ่มๆนี่ยพรรษาก็ยังคู่ขี่กัน องนั้นกเกิดที่หลังท่านวันทัานไปบินทบาทบินทบาทได้กะปิน้ำพริกกะปิมาถ้วยหนึ่งสมัยนั้นกะปิมันหายากเลยไม่มีแถวอีสานมีแต่ปลาลงปลาล่าน้ำพริกปลาลงปลาล่าไปางั้นมันก็ไม่แพ้กันหรองั้นแต่แต่นี้เป็นของแปลกเอ๊ะทําไมตะก่อนเราอยู่กรุงเทพได้ทานน้ําพริกกะปิ แต่มาถึงที่นี่ทําไมได้น้ําพริกกะปิมันมาได้ยังไงสมัยนะั้นทางรถมันกงกว่าจะมาถึงสีส่งคามมันไม่ใช่ธรรมดางั้นเขาก็มาทําถวายท่านไอ้ข้าว่าเขาได้กินได้ทานอะไรก็เห็นคูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือเขาก็สั่นมางั้นแล้วก็ถวายท่านท่านโอ้น้ําพริกกะปิ ท่านก็คิดว่าสามองค์เนี่ยก็คิดว่าไดาจะเพียงพอมันมากอยู่ทำไมโอ้วันนี้ไม่ได้ไม่เห็นน้ำพิกกปีอยู่ป่ารงอย่างนี้ก็ยังเห็นน้ำพิกกปีให้พวกเราได้ฉันไวท่านว่าองค์ที่ต่อไปด้วที่ไหนท่านก็เลยเอายื่นให้นี่แหละพอองค์นั้นหยิบไปไปเทความเส่บาทตัวเองเลย เราก็ไม่ได้ฉันองค์สุดท้ายก็ไม่ได้ฉันองค์นี้ฉันองค์เดียวตรงกลางโอ้เราทําใจไม่ได้เราสลดสังเวชใจเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราเห็นโอู้ทาไมทําได้อย่างนี้ทําไมทําได้ลงคออย่างนี้ทําไมทําได้เราถ้าเป็นอย่างเราเราทําไม่ได้อย่างนี้มันไม่ใช่ของน้อยมนะันมากอยนะ่นะ มันทำไมไม่กัดของเค็มขนาดนั้นมันไม่กัดลำไส้อะไรก็ไม่รู้นะกินกะปิมากถึงขนาดนี้ทำไมกินคนเดียวได้ทั้งที่มันจะทั่วถึงกันดูนี่แหละมันกระเทือนใจของเราอย่างแรงฟังดูสิกระเทือนใจตั้งแต่อายุสามสิบหกปีจนถึงอายุเก้าสิบห้าปีปีนี้พวกท่านทั้งหลายคิดดูแนละพวกเราทั้งหลายคิดดู นี่แหละการกระทําหมูพวกเพื่อนกระทาต่อกันที่ไม่เป็นธรรมสรุปแล้วผมมาจะสรุปตอนนี้แตเนี่พวกเราอยู่ด้วยกันน่ยจะทําอะไรก็ตามจะพูดอะไรก็ตามสิ่งที่มันไม่ถูกต้องทําให้หมูเพื่อนดักอกหนักใจทําให้หมูเพื่อนกระเทือนใจพวกท่านอย่าคิดว่าเนืงเป็นของสนุกแล้วทําตามอําเภอใจของเราทําตามอัธยาใจของเราทําตามที่เราอยากจะทํา แต่มันไปกระเทือนคนอื่นเมื่อคนอื่นท่านอื่นมันกระเทือนใจท่านแล้วมันจำมันจำไม่ลืมอย่างที่องค์หลวงตาท่านพูดนะผมเอาจุดนี้นะเอาจุดที่ว่าไม่ควรจะจะทำทำแต่อายุสามสิบกว่าปีท่านก็ไม่แช่ว่าจจิตอยู่จจจะกินอะไรเพียงแค่นั้นเสียสละได้แต่ว่าการกระทำขององคนะ์นั้น ที่ทำลงไปนะ่ยมันเป็นการกระทําที่ผมไม่เป็นธรรมเลยไม่ถูกต้องเลยทั้งที่อยู่ด้วยกันสามองค์ทั้งที่จะแบ่งกันอยู่กันฉันได้อันนี้ทําไม่ทาอย่างนั้นนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งฟังอยู่ที่เนี่ยที่ผมพูดให้ฟังเดี๋ยวนี้อันนี้คือเป็นตัวอย่างที่องค์หลวงตาท่านพูดให้ฟังว่าท่านกระเทือนใจเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่มาอยู่กับผมเนี่ย อยู่ด้วยกันสามสิบองค์ะ่ะเดี๋ยวนี้ใครจะคิดทำอะไรก็ตามพูดอะไรก็ตามแสดงอะไรออกไปก็ตามที่ทำให้หมูไม่สบายใจทำให้หมูกระเทือนใจมันกระเทือนไปนานนะอ่าอันนี้ผมขอเตือนหมูพวกเพื่อนมันกระเทือนไปนานนะการทาอยู่ด้วยกันมันกระเทือนไปนานมันจำไม่ลืมเพราะนั้นการจะคิดจะพูดจะทำสิ่งใดก็ตาม ให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดทันดีซะก่อนถ้าสิ่งไหนที่มันจะไม่มันจะกระเทือนหมูพวกเพื่อนกระเทือนครูบาอาจารย์มันไม่เป็นศีลเป็นธรรมแล้วอย่าทำแหมออย่าทําอย่าให้มันมีปัญหาสําหรับครูบาอาจารย์หมูพวกเพื่อนถ้ามันเป็นอย่างนั้นเข้ามาเลยเห็นไหมหลวงตาท่านกระเทือนมันถึงเก้าสิบหกปีเดี๋ยวนี้ท่านก็วอกว่าคิดถึงพระองค์นี้เมื่ อ, อไหร่ เราไม่ได้โกรธผูกพยาบาทอาฆาตหรอกแต่ว่าเรามองเห็นแล้วว่าความไม่เป็นธรรมใช้กิริยามารยาทของกระวาดเข้ามาใช้ไม่ใช่เรื่องของพระถ้าเรื่องเป็นเรื่องของพระแล้วต้องมีเมตตาใน จ, ใจิตใจจะคิดจะพูดจะทําต้องสัมปยุศหรือว่าต้องมีออกมาจา ก, กจิตใจด้วยเมตตาเข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ในเพื่อนพิกูจสั ม, มเณนทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยจิตเมตตาอันนี้ดูแล้วมันไม่มีเมตตาเลยทำอย่างั้นเพราะฉะนั้นมันจะกระเทือนใจเราเพราะฉะนั้นเราได้สิ่งของอะไรมาก็ตามนะเราจะต้องแบ่งปันให้ทั่วถึงคิดถึงเขาคิดถึงเราการอยู่การฉันเราก็หิวท่านก็หิวเราก็อยากท่านก็อยากเราก็ต้องพยายามให้ทั่วถึงสิ่งที่มันจะโค่นถึงได้ เว้นเสียแต่มันจะไม่ทวถึงนะเออเอาองค์ไหนฉันก็ฉันไปซะแบ่งเฉลี่ยกันฉันเท่าที่จะเท่าที่จะเฉลี่ยลงได้อไม่ใช่ว่าจะเม็ดเดียวจะให้ทวถึงกันทั้งหมดไม่ใช่พอที่จะทวถึงได้ก็ให้ทวถึงอันนี้แหละเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆองค์นะที่อยู่ด้วยกันนะสิ่งไหนก็ตามทามันกระเทือนครูบาอาจารย์หมูพวกเพื่อนแล้วอย่าทํา แล้วก็พร้อมกันให้ทั้งอกจังใจปฏิบัติภาวนาพระขี้เกียจเดินโยงกรมเนี่นไม่ได้นะไม่ถูกนะมันไม่ใช่เรื่องของพระกรรมฐานนะถึงพวกท่านทั้งหลายจะนั่งสมาธิภาวนาก็เถอะอันนี้ไม่มีใครเห็นแต่การเดินโยงกรมเปลี่ยนอริยาบทยืนเดินนั่งน อ, น, อนเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องเปลี่ยนไม่ใช่ว่าเดินมาฉันน้ำร้อนผมเปลี่ยนอริยาบทไม่ใช่อันนี้มันปิดอีกเรื่องหนึ่ง การเดินเปลี่ยนอายบทคือการเดินยังกรมเป็นหน้าที่ของพวกเราทุก ท, กทกองค์จะต้องเดิน้าว่าผมไปเห็นทางเดินยังกรมเศร้าเศร้ามองมองไปได้นะจะเป็นองค์ใดก็ตามนะต้องเดินถ้าไม่เดินเดินยังกรมถ้าขี้เกียจเดินยังกรมแล้วไม่ควรจะอยู่วัดผมอีต่างหากผมพูดอย่างนั้นได้ได้อย่างนั้นอีกนะไม่ควรจะอยู่วัดผมอีต่างหากหนีไปได้ผมไม่ปรารถนา พระไม่เดินยองกลมไม่นั่งภาวนาเพราะวัดของเราเนี่ยเราให้เดินยงกลมให้นั่งภาวนาให้ปฏิบัติถึงจะขี้เกียจขี้คลานยังไงก็ให้เดินยงกลมให้นั่งภาวนาให้ปฏิบัติกิ จ, จวัตรข้อวัดให้ดูหมู่ดูเพื่อนให้เป็นธรรมถ้าว่าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมันกระเทือนใจอย่างที่องค์หลวงตาว่านั่นอยู่ไปทํำไมอยู่เพื่ออะไรหวังอะไร พวกท่านทั้งหลายหวังอะไรแล้วผมถามผมหวังอะไรกับหมูอีกถ้าหมูขี้เกียจเดินยังโกมนั่งภาวนาแล้วมันมากขี้ควายหลายขี้ช้างมันไม่เกิดประโยชน์ขี้ควายได้มามากๆากมันยังใส่ต้นไม้ยังเป็นปุ๋ยนะขี้ช้างก็เหมือนกันเป็นปุ๋ยต้นไม้แต่มากขี้โลคขี้โกรธขี้หลงเนีโอ้โหมันรับไม่ได้นะขี้โกรธยังลงทําอะไรตออแก่ก็ไม่ได้ โมโหโทโสขึ้นมาหมู่พกเพื่อนเตือนก็ไม่ได้ขี้โกรธต่อไปกับขี้โลภอีกเห็นอะไรเออเอามากินใส่ปากใส่ท้องตอนเองหมดไม่ได้มองหมูมองเพื่อนไม่ได้มองครูบาอาจารย์ขี้โลภขี้โกรธหลงมันไปทางนั้นแหละหลงรักหลงชังหลงพยองพองตัวว่าเป็นบุคคลสำคัญ เป็นบุคคลสาคัญขี้หมาอะไรอย่างที่หลวงตาว่าเนเ่อมันสําคัญขี้โลภขี่โกรธขี้หลงโลภโกรธหลงจะเป็นสําคัญขี่หมาอะไรทำไมมันมีแต่จะตายอยู่ในโลกวัตฏสงสารเนี่ยนะไอ้ขี้กิเลสอย่างนั้นผู้รู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัวรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักสินรู้จักทำรู้จักให้อภัยรู้จักคุณงามความดีรู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่ ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่ในหลักพวินัยมีศีลศีลาจารวัดเป็นที่ยอมรับอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นแหละผู้นั้นแหละจะเป็นบุคคลดีเป็นพระที่ดีถ้าว่ามีแต่พยองพองตัวทิฏฐิคือความเห็นมานะคือความแข็งกระดา้างไปที่ไหนหาอยู่กับใครหญิงเขี่ยวหญิงฟันมูบอกกล่าวก็ไม่ได้ ถืออารมณ์โมโหโกธาให้หมูให้เพื่อนให้ครูบาอาจารย์มีพักมีพวกถือพักถือพวกมันไม่ได้นะในวัดของเราไม่ได้นะถือพักถือพวกไม่ได้นะทุกอง ค, กคือพักของเราพวกของเราอยู่ด้วยกันต้องเคารพผู้น้อยผู้ใหญ่ถ้าองค์ไหนก็ตามนะถ้าว่ามีพักมีพวกถือพักถือพวกพยองพองตัวไม่เคารพ อาผู้โสให้บอกผมในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าให้บอกผมมาเลยผมจะเป็นคนสอนจะเป็นคนบอกถ้าว่าบอกไมาอยู่แล้วนั่นแหละผมจะไล่นีจจากวัดจะไม่อยู่อยู่ทำไมอยู่หาเพื่อสิริมงคลอะไรอยู่ไม่มีศีลอยู่ไม่มีธรรมอยู่ไม่มีฮห้เลโอตปะป อยู่ไม่มีผู้น้อยผู้ใหญ่อยู่ไม่มีสัมมาคาระวะอยู่ไม่มีไม่อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยจะอยู่ไปทใํใไมถ้าอยู่ไปก็หนักวัดหนักวัดขาว่าหนักวัดพิจารณาดูสิหวงตาเคยพูดใช้คานี้อยู่เสมออย่าให้หนักวัดนะเราเนี่ยจามัน ไม่ลืมเลย老人家อยู่กับองค์หลวงตาคาพูดของผมที่พูดออกไปทั้งหมดเนี่ยที่หลวงตาไม่ได้อัดเทปเป่นลักษณะนี้แหละเป็นอย่างนี้จริงๆนะ่ะผมยืนยันได้เลยผมศึกษามาอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์อย่างไรผมยังกล้าพูดกับหมู่พวกเพื่อนแต่บางสิ่งบางอย่างเราก็ประยุกต์ใช้บ้างแต่ก็ไม่มากที่ประยุกต์ใช้เนี่ยอย่างน้อยมาก ที่แนวแถวที่พ่อแม่ครูอาจารย์ที่องค์หลวงตาพาดําเนินมานั้นมากกว่านี้อันนี้ผมในย่อหย่อนเต็มทนปฏิบัติกับหมู่พวกเพื่อนแต่ถ้าว่าย้อนกว่านี้ไปผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอีกเหมือนกันเพรา ะ, ะนั้นหมู่พวกเพื่อนทุกองค์นะที่มาอยู่กับผมนะถึงยังไงก็อยู่ในกรอบหลักธรรมมินายถึงจะโง่อย่างไงผมก็รับได้ถ้าหว่าอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมมินายถ้าว่าพวกท่านฉลาดยังไงก็ตาม ฉลาดแบกแนวฉลาดออกนอกรูนอกทางฉลาดไม่อยู่ในหลักธรรมวินัยผมรับไม่ได้อผมรับหมูรับเพื่อนไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะหมู่พวกเพื่อนถึงจะเป็นฉลาดก็ฉลาดนอกรูนอกทางถ้าเลี้ยงเอาไว้ก็เหมือนกับเลี้ยงโจรเลี้ยงนักเพลงไม่อยู่ในหลักธรรมวินัยป้นาศาสนา ทำให้ศาสนามัวหมองทำให้ศาสนาล่มจมท่าว่าพวกเราไม่อยู่ในหลักธรรมวินัยมันเป็นอย่างนั้นพวกเราจะรู้หรือไม่รู้ก็าตามแต่มันมันไปลักษณะอย่างนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราไม่อยู่ในกรอบเราเออนจิตใสขรวาสมาใช้เราเมื่อเราเป็นพระเราก็ต้องศึกษาเรื่องของพระพระปฏิบัติอย่างไงในหลักธรรมวินัย เคารพผู้น้อยผู้ใหญ่ให้มีสีลาจารวัดให้ศึกษาในหลักพระธรรมวินัยถ้าพวกเราปฏิบัติอย่างนั้นได้เลยผมว่าเนี่ยพวกเราจะอยู่เย็นเป็นสุขนะใจของเราจะเย็นสบายเราไม่ได้คิดออกไปทางนอกเราไม่ได้คิดออกเป็นแบบโลกวัตสงสารเราไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าปัจจัยสี่ของเราเนี่ยจะขาดเหลือขาดตกปกพ่องมีบริบูรณ์พูดอย่างนั้นได้เอออย่างที่ผมไป เมืองกรุงเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าของจะขึ้นนะท่านอาจารย์เดี๋ยวเอาปัจจัยไปซื้อน้ำตาลเอาไว้ถ้าเผื่อวัดไหนแถบแถบนั้นมีอะไรที่จะต้องได้ใช้น้ำตาลเพราะพระฉันฉ น, ฉ น, น้ำตาลมากฉันอาหารมื้อเดียวเนะีเขาคิดให้เราเสร็จเลยท่านคิดให้เราเสร็จเลยก็ถเาไว้มาหมื่นหนึ่งเห็นไหม เขาคิดช่วยเราเสร็จเรื่องปัจจัยสี่ผมว่าหมู่พวกเพื่อไม่ต้องห่วงข้อสําคัญให้หมู่พวกเพื่อตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะฉันก็ให้มีการชํารวมในการฉันใช้ก็ให้สํารวมในการใช้แล้วให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำปัจจัยสีเราประเด้นไปออกมาเอาเผาตัวของเรานะเก็บไว้กับเพื่อฟัดวาศาสนาเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่ อ, อบงการคณะสงฆ์เพื่อเอ หาวรวัตถุเพื่อปัจจัยสีของพระภิกษุสมณเณรผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราเก็บรักษาไว้อย่างนั้นเท่านั้นเองเราไมเรดมเก็บมาเพื่อจะเผาพระเผาเนรเผาวัดวาศาสนาเอามาใช้แบบวิลูยชี้แชกไม่คิดไม่อ่านผมจะไม่ให้ทำอย่างนั้นแต่พวกท่านทั้งหลายอย่าคิดเลยว่าปัจจัยสีไม่ต้องคิดให้หนักใจให้พวกเราทั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเท่านั้น ผู้ที่มองท่านผู้มีศรัทธามีตามีปัญญามองพวกเราอยู่นี่ความอดอยากไม่มีแน่นอนผมรับประกันอย่างนั้นได้ทางว่าพวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนี่พระธรรม คือหลักเหตุผลคําสั่งสอนเนี่ยพวกเราปฏิบัติตามทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกท่านพวกเราอย่าหวังเลยว่าพวกเราจะลําบาก อ, อมนุษย์ไม่เห็นเทวดาก็จะเห็น อ, อมนุษย์คนโง่ไม่เห็นชั้นปัญญาชนเขาจะเห็นข้อสําคัญให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็แล้วกันถ้าหากว่าพวกเราปฏิบัติไม่ดีนะ ปฏิบัติเร็วๆปฏิบัติไม่ดีมนุษย์มาเห็นเทวดาก็จะเห็นเห็นความเร็วของเราเพราะนั้นอย่าทําความเร็วไม่เป็นผลดีมีแต่ความหายะนะที่จะเข้ามาทําให้พวกเราเดือดร้อนออกจากที่นี่ไปก็เดือดร้อนไปตลอดไปเพราะนั้นในพวกเราทุกๆองค์นะที่พูดทางนี้ทั้งนั้นให้พวกเราได้คิดอย่าไปนอนจมอย่าไปนอนใจ อย่าไปลืมตัวสมบัติทั้งหลายไม่ใช่ของเราเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ผู้ที่เขาถวายก็คือพุทธบริษัทสี่อุบาสกอุบาสิกาเขานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์สกรเขาจึงน้อมเอาสิ่งเหล่านั้นมาเสียสละทุนทรัพย์มาเพื่อให้เราเราเป็นพระที่ไปอยู่แนวหน้า ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเขาขยากจะได้บุญกับเราเพราะเขาทําไม่ได้มาอยู่อย่างเราพวกเขาเขาไม่สามารถที่จะมาทําอย่างอย่างพวกเราได้เขาอยู่ภายนอกเขาก็ให้การสนับสนุนแต่พวกเราไปกินของเขาไปใช้ของเขาเขาให้ด้วยศรัทธาลืมตัวเอาเงินเอาสิ่งของเขาไปใช้ยุยช่วยแชททั้งกินทั้งทิ้งไม่รู้จักเก็บกินทั้งกินทั้งขว้าง เหมือนกับลิงจินนเขาจะได้บุญจากเราได้ยังไงสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องคิดอย่าลืมตัวสมบัติที่ได้มาคือสมบัติของพระพุทธเจ้าสมบัติพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เขาได้ยินได้ฟังสมบัติของพระอริยะสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราคิดอย่างนั้นและได้แล้วนะเราไปอยู่ณสถานที่ใดที่ไหนพวกเราจะไม่ลืมตัว ถ้าลืมตัวเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นละ่ะตัวกิเลสเข้ามานะตัวจิตหายใครเห็นก็ไม่น่าเคารพไม่น่าเลื่อมใสไม่น่าศรัทธาที่เขาเคารพนับถือศรัทธาทุกวันนี้เพราะว่าพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่แต่พวกเราจะเป็นในฐานะไหนถ้าพวกเราออกนอกรูนอกทางเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นละ่ะ เป็นพระแหวกแนวเป็นพระออกนอกรูนอกทางเป็นพระที่ไม่มีฮิริโอตะปะอารัชีเป็นพระอารัชีอารัชิตาผู้ไม่มีอย่างอายเพราะนั้นพวกเราตรวจตราดูตนเองอยู่เสมอนะพูดทางนี้ทางนั้นพูดถึงจะพูดรุนแรงขนาดไหนก็เถอะนะผมพูดคิดว่าผมพูดอยู่ในหลักธรรมวินัย ให้พวกเราน้อมเอียงไปในหลักธรรมวินัยถ้าพวกเราไม่อยู่ไม่น้อมเอียงเข้ามาหลักธรรมวินัยไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยเราจะอยู่ไปทำไมแฮะผมพูดอย่างนั้นเลยนะทีนี้เราไปอยู่เพื่ออะไรเราต้องการอะไรเราต้องการมองคนอะไรถ้ามาอยู่ในหลักธรรมวินัยแล้วเราหากินไม่พอปากพอท้องใช่ไหมเรามาแอบมาแฝงอยู่กับศาสนาใช่ไหม เรามาลบมาซ่อนกินอยู่ในศาสนาใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราถามเราทาาว่าพวกเราแหมว่าข้าไปเจ้าเลื่อมใสนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ข้าไปเจ้าเลื่อมใสนับถือในพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าไปเจ้าเข้ามาบวช ด, ด้วยความตั้งอกตั้งใจเพื่อสาะแสวงหาทางพ้นทุกข์ จะไม่มาขอเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารอีกข้าพเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธทเจ้าว่าได้ศึกษาดูแล้วเป็นนิยานิกรรมนําผู้ประพฤติธปฏิบัติให้พ้นทุก์ในวัฏฏะสงสารได้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าถึงจะโง่เง่าเ ต, าต่าตุนอย่างไรข้าพเจ้าก็จะเป็นผู้ตะเกียกตะกายกระเสือกกระสนนาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธทเจ้านั้นมาประพฤติธปฏิบัติ ปบปรุงกายวาจาใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าหวังพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารจะไม่มาขอเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้อีกต่อไปในใจของเราต้องคิดอย่างนั้นมันจึงจะถูกนะอไม่ใช่ว่าอยู่ๆหลบๆซบบ่อนๆขี้เกียจขี้ข้านอยู่เป็นวันๆกินเป็นวันๆอยู่เป็นวันๆอย่างนั้นไม่ได้นะถ้าคิดอย่างนั้นถ้าอยู่อย่างนั้นอยู่ไปทําไมอยู่ให้หนักศาสนาอยู่ที่ไหนก็หนักหมด อยู่กับวัดก็หนักวัดอยู่กับครูบาอาจารย์ก็หนักครูบาอาจารย์อยู่กับหมูกับเพื่อนก็หนักหมูหนักเพื่อนเก่งๆกลางๆของขวางไปอย่างนั้นนะหมูทำอะไรก็ไม่ทำแต่กินเก่งกว่าเพื่อนใช้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ถูกพวกเราทั้งหลายฟังเอาไว้นะทั้งท่านผู้ที่เข้ามาบวชชั่วคราวก็ตามที่หลวงพ่อพูดนี่ถูกต้องไหม ให้พวกเรานำไปคิดนะในเมื่อไปเห็นพระอยู่ข้างนอกก็ตามนี่แหละทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทำคําสั่งสอนในหลักของพระพุทธศาสนาท่านให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอย่างนี้นะสอนกันบอกกล่าวกันให้ทั้งอกตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจแล้วจะอยู่ทำใหม่หลักพระธรนไม่นายคืออะไรให้เราศึกษาอย่าไปอยู่ดิ่ง ด, ดูเฉย ศินของพระเนี่ยต้องศึกษาต้องอ่านต้องศึกษ า, ต, ออ า, ต, กษาต้องให้เข้าใจ2องยยีข้อมีอะไรบ้างเป็นหน้าที่ของเราจะต้องศึกษาศีนอภิษมาจารย์คือมีอะไรบ้างมีกี่ข้ออันนี้ก็ควรจะศึกษาให้เข้าใจในเมื่อรักษาสินเสร็จแล้วก็สมาธิทําจิตยังไงจึงจะทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตสงบแล้วเราพิจนารณาอะไรพระพุทธเจ้ามีจุดประสองค์อะไรจึงให้พิจนารณา ให้เห็นตามความเป็นจริงวิปัสนาศินสมาธิปัญญาปัญญาพิจารณาวิปัสนาสมาธิคือทําจิตให้สงบวิปัสนาคือพิจารณาไตรตรองเหตุและผลในร่างกายของเรามีอะไรบ้างท่านว่าเป็นพิจารณาอย่างอื่นมันก็ไม่ค่อยเห็นให้พิจารณาร่างกายตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าเกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังพระพุทธเจ้าให้กรรมฐานหสําหรับพระใหม่ พวกเราบวชเข้ามาต้องเรียนกรรมฐานห้าแต่กรรมฐานห้าเนี่ยผมเปรียบเทียบวนะ่าเน่พระพุทธเจ้าให้อาวุธให้พิจารณาอาวุธห้าอย่างมอบอาวุธให้ให้เห็นเป็นของอสุภพะเป็นของปฏิกูลเป็นของที่พิจารณาแล้วไม่ให้สวยงามถ้าพิจารณาให้สวยงามอันนั้นเป็นสุภาึ้นมานะกิเลสลาคะจะเหยียบย่ำหัวใจของเราถ้าพวกเราเห็นเอเกสาผมก็สวยงามอา โลมาขนกะสวยงามนะขาเล็บแต่งให้สวยงามท่านตาฟันสวยงามเออตาโจหนังหนังหุ่มสวยงามนั่นแหละเป็นถ้าเป็นสุภาพขึ้นมาเมื่อไหร่กิเลสราคะย่ำเข้าสู่จิตใจของเราถ้าเราเห็นเกสาผมถ้าผมไม่ซักไม่ล้างผมงอกกระเสิกระเซิงเหมือนผมบ้าข้างถนนเป็นยังไงเหม็นสาบเหม็นสาง ดูสวยงามไหมถ้าเราไม่ไม่ล้างไม่ทําความสะอาดเป็นยังไงขนก็เหมือนกันไม่อาบไม่ล้างไปยังไงผิวดําเกลื่อนไปหมดน่าดูไดรไหมเล็บก็เหมือนกันมีขี้เล็บเต็มไปหมดดําไปหมดถ้าไม่ล้างไม่ทําความสะอาดน่าดูไหมทันตาฟันถ้าไม่ล้างฟันเหลืองห อ, อยมีแต่ขี้ฟันเต็มไปหมด น่าดูไหมตะโจหนังถ้าไม่สะไม่ล้างไม่ทําความสะอาดมีแต่ขี้ใครเต็มไปหมดในร่างกายผิวแตกผิวด้านผิวกล้านเหมือนกับคนแก่เป็นยังไงน่าดูไหมที่มันน่าดูได้เพราะอะไรเพราะทําความสะอาดดูแลขัดแล้วขัดอีกถูแล้วถูอีกตกแต่งแล้วตกแต่งอีกนี่ ถ้าปล่อยตามธรรมชาติมันเป็นยังไง ร, ร่างกายของมนุษย์นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านให้มองตามธรรมชาติให้เห็นตามธรรมชาติถ้าไม่ตกแต่งมันเป็นอย่างนั้นถ้าตกแต่งมันเป็นอย่างนั้นมันหลงทําให้หลงได้ถึงจะตกแต่งยังไงก็ก็เถอะอีกสักวันหนึ่งอมันก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะต้องเสื่อมสลายในที่สุดนี่แหละทาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ ให้เห็นตามความเป็นจริงเป็นจริงยังไงท่านเห็นอย่างนั้นในร่างกายมีอะไรบ้างขายับเข้าไปข้างในเลยสิถเนี่ยถลกหนังออกไปไปยังไงมีเนื้อเหมือนกับเนื้ อ, อ, อหมูเนื้อไก่เนื้อสัตว์ทั้งหลายที่เขาถลกหนังออกไปแล้วเขาไปไงที่เขาํำแหละเนื้อออกเมื่อเอาออกหนังออกแล้วในเนื้อมีอะไรบ้างมีเอ็นออที่มันชักมันงอมันกระดุกกระดิกได้เพราะเอ็นเอ็นกระตก ทำให้มันเือขยับได้เอ็นแล้วก็กระดูกข้างในกระดูกเป็นข้อๆเป็นท่อนๆในร่างกายมนุษยท์ท่านบอกว่ากระดูกมีอยู่สามร้อยกว่าท่อนนะอ่าอันนี้คบางคนก็นับบัดถึงบางคนก็นับปับน่นไม่ถึงถึงไม่ถึงก็มันกระดูกเหมือนกันนั่นแหละมันจะมีอยู่ในร่างกายของเราเนะ่ยเราว่ามีกระดูกก็แล้วกันเอ่า นี่แหละกระดูกเป็นโครงสร้างของร่างกายน่างกายมีกระดูกใช่ไหมไม่มีใครปฏิเสธมีกระดูกในร่างกายเนื้อหนังเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าอยู่หัวใจลำไส้อยู่ในท้องของเรามีไหม มีครบหดทุกอย่างที่ไล่เลียงมาเพราะนั้นร่างกายของคนเรามีอย่างนี้ใช่ไหมถามใจตัวเองถามตัวผู้รู้น่ะมันก็จะ่องว่าใช่นี่แหละพราะพู้ได้เจ้าให้เห็นตามความเป็นจริงสิ่งเหล่านะั้นอีกสักวันหนึ่งที่เราไล่เลียงทั้งหมดตั้งแต่เกษาลมานาขาทันตาเกษาผมลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหใจตับพังผืด อีกสักวันหนึ่งทุกคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรามันก็แก่ไปแก่ไปผลที่สุดหมดสภาพใช้งานไม่ได้เพราะมันใช้งานมานานเจ็ดสิบแปดสิบปีเข้าไปแล้วก็หมดสภาพผลที่สุดก็ตายตายก็คือใครว่ามันหมดสภาพมันใช้มันไม่ได้แล้วมันแก่เต็มทวนเลยเหมือนกระดรสแก่อย่างนั้นมันหมดสภาพมันผุมันพังหมดแล้วใช้ไปอีกไม่ได้แล้ว ผลในสุดก็ตายตายก็สู่ดินน้ำลมไฟดินไปสู่ดินน้ำไปสู่น้ำลมไปสู่ลมไฟไปสู่ไฟร่างกายของเรามัมนมีธาตุสี่ดินก็คือของแข็งกระดูกดินน้ำน้ำตาน้ำมูกเลือดเรียกว่าธาตุน้ำธาตุลมก็บลมหายใจเข้าออกลมในช่องท้องที่มันร้องโกโกโ ก, กากากนะเ่เรื่องมั น, มนอยู่ใน เส้นเลือดมันพัดมันสูบสีเลือดเข้าไปอันนี้วันเลือดลมไฟก็คือทำให้ให้ร่างกายอบอุ่นเผาอาหารให้ย่อยที่พวกเราอุ่นอยู่ทุกวันในนั่งอยู่มันร้อนเพราะร่างกายมันมีธาตุไฟเพราะนั้นธาตุไฟมันอยู่ในร่างกายของเราคือธาตุสีดินน้ำลมไฟอยู่ในร่างกายอีกสักวันธาตุสีนะั้นต้องแตกกระจายไปคนละทิศละทางกัน ดินไปสู่ดินน้ำไปสู่น้ำลมไปสู่ลมไฟเข้าสู่ไฟผลที่สุดแตกตายสลายดูสิร่างกายของเราก็ยังไม่ใช่ตัวตนของเรายังไม่ใช่ของเราจะต้องแตกสลายสักวันหนึ่งแล้วส่วนอื่นล่ะเป็นของเราอยู่ใช่ไหมใช่ของเราใช่ไหมเงินคำทรัพสมบัติเลือกสวนไร่นาหน้าที่การงานตึกลานบ้านช่องเป็นของเราใช่ไหม ก็คงจะปฏิเสธว่าคงจะไม่ใช่ของเราเพราะร่างกายก็ยังไม่ใช่ของเราสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้ยังไงแต่ถึงยังไงก็ตามเมื่อเราอยู่อย่างนี้เราก็ต้องได้อาศัยปัจจัยสี่เหล่านั้นเมื่อเรื่อเราปัจจัยสี่เราอย่าหลงว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราขนาดร่างกายยังไม่ใช่ของเราแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้ยังไงแต่เราไม่ให้หลงแต่เราให้เราให้ใช้ให้ใช้ได้ เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ใช้แล้วไม่ให้หลงไม่ให้ติดเหมือนกับน้ำค้างอยู่ใบบัวอย่างนั้นถึงจะอยู่ในใบบัวแต่ไม่ติดใบบัวพเพราะเหตุอะไรพอน้ำก็คือน้ำใบบัวก็คือใบบัวคนละอ่านกันให้รู้เท่ารู้ทันน้ำกับน้ำมันอย่างนั้นถึงจะอยู่ด้วยกันก็ไม่เข้ากันน้ากับน้ามันพเ stage, พราะเหตุอะไรพอมันเป็นคนละอ่านกันให้รู้กันรู้เท่ารู้ทันกัน อันนี้ก็เหมือนกันเราอยู่ในร่างกายเราก็ไม่ให้หลงร่างร่างกายกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในใจของเราเราก็รู้ให้รู้กระทั่งว่ากิเลสอยู่ในใจอีกให้ชำระใจตัวเองอีกใจของเรามันหลงอะไรเศร้าหมองผ่องใสรักโกรธโกรธหลงมันอยู่ในใจทั้งหมดบางทีก็ไม่พอใจขึ้นมาก็โกรธเออ บางทีก็โลภบางทีก็หลงบางทีก็รักออกไปจากใจของเราทั้งหมดนั่นแหละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจเราให้ตรวจตราดูใจของเรากิเลสราคะโทสะมั่ไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจนี่แหละที่แรกก็ดูกายซะก่อนดูความประพฤติซะก่อนออกจากนั้นก็เข้ามาดูใจความนึกคิดนี่แหละเพราะฉะนั้นหมูพวกเพื่อนทุกองค์นะมาเข้ามาบวชในพุทธศาสนาให้ตั้งอกตั้งใจ ผมบอกแล้วบอ่อกอีกแนะนําให้หมู่พวกปือนว่าให้เป็นผู้มุ่งมั่นมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้ศึกษาตามหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นนิยานิกรรมนําผู้ประพฤติปฏิบัติให้พ้นทุกในวัฏสงสารถึงแดนพระนิพพานไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ ให้ท่าอกตังใจนะใ ห, ให้ดูตัวเองนะอย่าหลงตัวเองนะให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างที่องค์หลวงตาท่านพูดนะให้มองตนเองให้เป็นผู้เสียสละอย่าทําให้หมู่พวกเพื่อนกระเทือนใจถ้ามันกระเทือนใจแล้วมันจําไม่ลืมอย่างองค์หลวงตาอายุทั้งสาสิบกว่าหรือที่เก้าสิบกว่าท่านยังจาไม่ลืมเพราะหมู่พวกเพื่อนทําให้กระเทือนใจ เพราะนั้นเราทําให้หมู่พวกเพื่อนกระเทือนใจผมว่าไม่เป็นผลดีสําหรับพวกเราที่อยู่ด้วยกันนะเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากันะ่ะแหกันแหนกแนงระแวงแคลงใจกันอ่าเพราะไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมถ้าพวกเราเป็นธรรมด้วยกันแล้ว เ, เข้ากันได้เหมือนกับนมกับน้ําอย่างนั้นตีเข้ากันเสนิทเลยเถ้าว่าคนหนึ่งเป็นกิเลสคนหนึ่งเป็นธรรมเลย คนหนึ่งเป็นน้ำมันคนหนึ่งเป็นน้ำมันมันเข้ากันไม่ได้นะคนใตกันเป็นไหนก็มันเข้ากันไม่ได้เพราะว่าคนหนึ่งเป็นธรรมนะอย่า ง, ลงหลวงตาเนี่ยท่านเป็นธรรมเนะผมยังจกจ่องขนาดเดี๋ยวนี้ทุกวั น, นี้การเสียสละการบริจาค ก, การทำบุญกับมุงกับเพื่อนกับใครก็าตามนยคำว่ากีตนีทีเหนียวไม่มีเวนเสียแต่ว่าเหตุผลเท่านั้นเอง เหตุผลทาไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้จริงๆไม่ให้จริงๆไม่ให้ยังด่าอีกต่างหากดูอีกต่างหากลงตาไปอย่างนั้นนลถ้าหาว่าด้วยเหตุผลแล้วเอาเลยเท่าไหร่ท่านยังหาห้เป็นหนี้ก็ท่านยังหาให้อี ก, กว่า น, นั้นเถะขนาดนั้นใจของท่านเป็นธรรมถึงขนาดนั้นถ้าว่าไม่เป็นธรรมอะอย่างที่ว่าเนี่ยเห็นไหมทั้งที่มันจะแบ่งกันทั่วถึงท่านวางนั่น ไปกินได้คนเดียวได้ยังไงกินกินคนเดียวลงคอได้ยังไงสิ่งเหล่านี้มันก็สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายนะที่ผมพูดทางนี้ก็ททางนั้นก็ให้พวกเราโอปัญิโกเนะ่ยให้มองให้มองให้มองพวกเรานะอ่าให้เข้าอย่าให้กระเทือนใจการอยู่ด้วยกันถ้ากระเทือนใจแล้วมันจำไม่ลืมอย่างที่องหลวงตาพูดนั่นะ ที่ท่านพูดให้ฟังนในไก่ไทยท่าไม่ได้มุ่งหวังอะไรท่าไม่ไดู้กอาฆาตพยาบาทจองเวรไก่ไทั้งหมดท่านหมดแล้วเอแต่ว่าการกระทําสิ่งนั้นถึงยังไงมันก็ไม่ถูกท่านพิจารณาเมื่ อ, อไรท่านก็บอกมันไม่ถูก <S 2> <S 2> ออันนี้ก็เหมือนกันะพวกเราที่อยู่ด้วยกันอย่าทําให้หมู่พวกเพื่อนกระเทือนใจการพูดอะไรก็ออกไปก็ตามอย่าให้หมู่พวกเพื่อนกระเทือนใจถ้ากระเทือนใจแล้วมันจําไม่ลืมอย่าง องลงตาที่ท่านพูดนะนะเวันนี้ผมให้แนวความคิดสาหรับหมู่พวกเพื่อนรู้สึกจะเผ็ดร้อนอยู่บ้างแต่ถึงยังไงให้พวกท่านทั้งหลายให้เน้นหนักเข้าสู่หลักธรรมวินัยอย่าไปเพ่งมองออกไปข้างนอกถ้าเพียงมองออกไปข้างนอกนั่นนะจะไม่มีที่สิ้นสุดถ้ามุ่งหวังต่อหลักธรรมวินัยแล้วเนี่จะเป็นพระที่หน้ากลาวไปเคารพ สักการะบูชาถ้าเป็นหมู่เป็นเพื่อนของผมผมก็ไว้เนื้อเชื่อใจสนิทสนมแต่ถ้าออกนอกลู่นอกทางแล้วผมรับไม่ได้น ะ, ะรับไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะว่าไม่อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมนี่ไงพูดอย่างนั้นได้ถ้าอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมนี่ไงนะถึงจะโง่ยอย่างไงผมก็ยอมรับได้โง่ยอยู่ในกรอบหลักพระธรรมนี่ไงให้เป็นผู้มีสิทธ เนี่ยแต้ใจฉลาดขึ้นมาฉลาดแบกแมวผมรับไม่ได้อหฉลาดออกนอกลู่นอกทางเพราะนั้นการปูดในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควร